ถ้าเจ้าบ้านมีคุณธรรมสูงเช่นเป็นอริยสาวกมีความมั่นใจในคุณธรรมของตนหรือมั่นใจในธรรมตามหลักศรัทธาที่กล่าวแล้วในตอนก่อนเทวดาก็ต้องเคารพเชื่อฟังอยู่ในบังคับบัญชามิใช่เป็นผู้มีอำนาจบังคับเจ้าบ้านดังเช่นเทวดาผู้อยู่ณซุ้มประตูบ้านของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในที่นี้ท่านเจ้าบ้าน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 เมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจึงได้รับอนุญาตกลับเข้าอยู่หน้าที่เดิมได้ประการที่สองเมื่อคนถูกเทวดาให้โทษจะถือเอาเป็นเกณฑ์ว่าเขาทำผิดหรือเป็นคนชั่วยังไม่ได้เพราะคนดีถูกเทวดาร้ายกลัน่นแกล้งก็มีไม่น้อยดังเช่นเทวดาซึ่งอยู่หน้าซุ้มประตู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 และจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอเทวดานั้นเป็นอันขาดไม่ว่าเทวดาจะขู่หรือล่อด้วยรางวัลอย่างใดๆดังเช่นเรื่องที่มีมาในปับพาราวาสติสตาเทรวัตถุประการที่สเทวดาบางองค์มีพฤติการทางร้าย ชอบทำตนเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางความเจริญของมนุษย์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำเทวดายอย่างนี้มนุษย์ไม่เพียงแต่มิควรอ้อนวอนอร้องหรือหวางพึ่งเท่านั้นแต่ควรปราบหรือพิชิตให้ได้ทีเดียวและถ้าฝึกปรือความสามารถของตนให้ดีมนุษย์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยดังตัวอย่างสำคัญคือมาร เรื่องเกี่ยวกับมาในที่นี้ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าจะพูดไปตามเรื่องราวในคำภีไม่แปลความหมายทางนามธรรมมานี้เป็นเทพในสวรรค์ชั้นสูงสุดของระดับการมาวจรคือชั้นที่6ได้แก่บ ร, รานิมิตาสวัสดีแต่ชอบขัดขวางรังควานผู้อื่นเมื่อเขาจะทำความดีเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครจะเปลืองตน ให้เป็นอิสระจักรกามถือว่าผู้นั้นจะข้ามออกนอกเขตอำนาจของมารก็เป็นอันจะต้องเผชิญหน้ากับมารทีเดียวมารมีฤทธิ์มีอิทธิพลยิ่งใหญ่มากแม้แต่พระอินพอมารมาก็หนีไม่รอหน้าเป็นหลบอยู่สุดขอบจักรวาลพระพรมก็หลีกเลี่ยงบางคราวมารก็ขึ้นไปรังควานถึงโรมโลกซึ่งเป็นชั้นรูปาวจร สูงกว่าระดับของตนพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าบรรดาผู้ยิ่งใหญ่มารเป็นเลิศแม้มารจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ถึงอย่างนี้แต่มนุษย์ผู้ฝึกอบรมดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาก็พิชิตมารได้ด้วยคุณธรรมของตนและมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงเช่นนี้เทพเจ้าทั้งปวงตลอดถึงพรหม